เราพยารามหนึ่ต่้ารไปถามแล้วานเซีนโอ้ยโ้้อยอยออ้้อยออ้ออ้อออย้้้้อ้ ข้าดึงเพราเว่ายืด้าะเราวืดาขาไม่มาราะว่าโยกขาไเพราะว่าอะไ่เรอขาา้ขาก่นข้าก็ไม่ขายข้าเป็นอะไรับกระชากนะครับใไม่ได้เรืจริงนะ้เป็นข้อแมันม่ตายากนลยนขม่้าเปนม่ขัมตจอตาย่ เราองทัที่เรป็ออร้งใรตายป้็้ารต้ก็อร้าลก็้าเใ้ป็าร้เราก็ตล้อาหเล้าเาแล้วก็เอ้ารราวออาใ้เรตเรทรยปการเตไ้วอาเรา้เรายวกร้ตวกอาร้แล้วก็ เขาบอว่าเป็นจะมา้หอม่ก็มนะานาาบากมนะ้มาาลถ้าได้อยากคุยกับคนที่มีักด้วยไม่เคยจะไปถักด้วยนะอนาคตมันไปแล้วนะดูดีๆถักาเราจะเสดมาที่อ ไม่มีทางได้ทั่ไ่อต่ออือ้องฟ้ก็ป็นปยละถไมจดีลเยละได้ทมกย้อกก็ดเราเราเราเราเราเรราเราเรเรเาาาาาาาเรเ Thank <laughs> you. ถ้าขายได้เงินเยอะก็ถ้าจุ่มที่ตัวเราจะขายได้ที่ภายนอกได้ใช่จะขายได้เราก็ไหวก็นอกได้ข้าในเราจ้างว่าอะไรใช่เราเป็นไม่สองอย่างใช่ไหมโอ้เขาเรยท่านสงศ์ไก่เราไปชื่อสมุนไพรเป็นแนวการเตียนนะถ้าไปชื่อสมุนไพรต้องเสีทค่าใช้ใช้สติร้บาทใช้เงินให้ก็ได้ขายก็ได้จ่ายก็ได้ ก็แล้วตดอค้ง่ร้อยี่พี่เป็นเงินรอยกะตับรับก้อนเป็นาลพัดเจ็เ็นน่อ่บพัร้อยเิอยััตอนนี้เ็่เป็นหัก่ถนัาได้รว่าเท่าที่อยู่งานเดีกทไครับ่เ่ รุ mm ่งาจนทวาเป็น่เป็นญาติบอกนะแล้วก็ควรจะระวัว่าถาลวงพ่อได้ก็รโจมถ้าลูกเาเริบเป็นสอตโผล่ไรอบกะบาดจิตเป็นตเนกราาเป็นา้เข้ากรรมฐานอยู่่ว่าต่เป็นจิตใจเดียวพอยายรัาตต่อไปแลอะคื่ ดีมดมากไม่เรแล้วโลกปหาจมาที่เดเพราะว่าโกรจะมาที่เจานธ์รุงากที่ยมไม่เห็นใหโลกไ่อไหไม่ว่าอะไราลวัดต่างๆคำมุขางๆตอสายลมตะวันที่ทานไม่้ว่าใจทกร้ มันมมใช่หัานาาวาัมเป็นไราาอ่เอา่ดไปตัวเองเ้าลง้หาเป็นหมดสาขาเลยราคาเป็นไหมดาาาสา ที่ตอนนี้ม่งมือไหทของเระทพระจากยเรือหนึงขายในาราคาน้องพ่อคือตัวร้อยสามโหลขอของก่เพราะเรื่องนี้เป็คนหลานต้องหามาจากตุรกีตะว่นออเงินมาที่หน้าวบางคนก็เอาเงินในากเขา่อวายหลวงพ่อบางคนก็เอาไปลงทุนเป็นสัมาเจ็ดร้อารอามล้วยา กวิตเจตนาของแม่พ่อสาวุจะบงเาไปหรืขอลวพอกนเ็นกใรุกกทีติดย่งนี้เลยอาทางไลางนว่าเยออก็ไม่ไติดต่ออะไรเลยแ่คเขาจะไไนก็เลยไม่เนแที่ทไปแล้ว อ๋อโอ้โหอาว่าก็สีมากอาไได้ตาดที่ตาดเขาตากิน่เดนไม่ได้หรอกตาดิตามาการณ์ากรนั่การ้โหไม่นาจะตลาดันงโอ้หถ้ากันเลยเพราว่าเศรนถ้าดีก็ได้อ๋อที่จะบอกว่าเอ่อาคากษตรก็้อเรติด อาช่วยแม่ลูกแก็ผมก็ังเปิดและกไปรับัวต่อไปแดเลยแม่ลูกไม่ทำยแม่ลูกแ่ขลูกกต่อของทั้งตัวไอ้สามไม่เอาขอแคเดยนะเรื่องคุณแม่ของกผมเนี่ยาจะมาหลับอยไนจะฝันาูดููฝันทละจ่ะเลาะันนี้ตื่นมาเสมอและแมจะหลับฟกนาตาแบบีขอกปดูหวงพ่อว่า หพ่อเลิกแ้วอามุสตีต่อมาแอูกกะเย่รัก่อนหลับก็จไม่นี่มเถนี่จไม่รู้กไ้้ปเลยใใช่อยะยจ้าโอ้เป็นตลลารไได้าจ้รน้ะอะไรพคหพ่อที่เคารพไม่ดู ก <laughs> ็เป็นมจมาอะไรก็ดูจริงก็เปนมาจนมาริงข้าวโถไฟออกมาพระกษัตริย่เจ้าพวัดทยึดอนาจอำนาจคมเวลาตกแต่พระตามข้าของหลวงพ่อลกได้เข้าไปเอาน้ำมนต์มาเมหนังเจ้า้อยรถธรรมวารีพระาของลูกยาลูกจะสบาเป็นญตลอดสาน้ำมนต์นี่แหลฟทา อนั้นก็เจ็บมากต่อไปก็ไปเอาน้ำมนต์มาทานสามุดนอไปแล้วักพักใหญ่ก็อายอีกอ้าอก็เลยหลับตาก็นหลับตาก็เลยยืนหลวงตามไัเพาว่าเาป็นผู้โชคไปแล้วรป้ามีเินนันมีเินไม่กิน้าวได้ยินมาเดยยวละ ฝันก็ไปแล้วแล้วทำไมเธอไมุ่กที่มาปฏิบัติ่นั้นเองลูกมองเห็นพระทํข้าวพาสมาที่สเข้าไปอยู่ใน้องโลกโลกตป็นางมากพราะวิาเปแล้ว็นพรทีาเป็นธรรมใเลยมาขอขึ้นมาพ่อช่วยใหนเิทของหรอ่นนเ้ย้ขอก็้าวปลาที่มวนอะเ้าไปยังไง เนคนมไม่ค่าอะไรเลยคุณโอ้ค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าค่าคาค่าคาค่าค่าคาค่าค่าาค่าค่าค่าาค่าค่าค่าคาค่าค่าค่าค่าคาค่าค่าค่าค่าค่าค่าาคาาาาาาาคค ข้าจนแ่ะข้าวเนี่ให้ตี้วเลยนะตีเรื่องในรายละเอยดมากเลาาลวงพ่อที่เราจำถูกต่อจากลามเลยลูความ้สึกบงสิ่งบางอย่างไม่แน่ใจเราจะมยาลดสุขภาพหรอกาีเ็กูเสมลความรสกลมากลาตัวนกงพ่อแล้ว ดเดะยังไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่เคยที่อนกันเขาไปว่าที่สั้นไม่ทราบเหมือนกันอไม่เหมือนกันไม่มากไพระว่ามีปสาจริงๆนะถ้าเราสัมผันการตัวดาตัวดาเป็นมาร่ามันไม่ได้านในข้อนะจะทำรู้ทำรู้ตัวแล้วทำไปแล้วก็ทางไปแล้วก็ทานไปรู้รู้ตัวกันจ้ะ เด็พ่อาบอกว่าทำไมตะตมหน้าตัดใจทำไมหน้าตาึงักนมันก็ได้เออขงเงเงยัดกินก็เตายเฉ่งเฉ่งมันเนาขายาก็ได้ยัดขาดังไอขมยัดไหครับยายว่าเพือบาเพื่ออะไรบนหุผู้คนสุนิชาอะไยัดอะไรยัดอะัไรเชื่อ้วจะขเออานก ใช่เดิน้างมาแรกเจอไหมเจแรก็าเ้ยมีตังไหมอ่ายก็ตายแล้วตใ้ใจตาเังเอาีวต่อจหอ่าเจตัอ้้นด้ม่ได้เอภาเลยเนาะโอ้ไม่ได้เลยเนาะเรื่องแบบนี้นะเมื่อสมบูรใหม่เป็นสาแรกภานภาษานวรยช่ไ เห็นผีเส้นตาตั้งแต่แรกเกิดจอยัยังใหม่ยังยังไม่ร้วงไม่เข้าภาษาสมบูรณ์เลยครับสมบูรณ์ใหม่ตอนโน้ตไปก็เด้งเสีงจะเกินพระทับถือพวกยุกผู้เจ้าเนี่ยน่าผู้เจ้าไปที่เขาเล่นกันทร์ไปบอกว่าถ้าใจอยากเห็นองค์ใหม่ดีไปให้ผ่านขั้นแรกกันก่นครับเวลาที่ข้าวเทนี่ถ้าได้กิดแค่ผีจำนวนมากเราหนาว่็นี อันแบบจะเจอในอันไหนนักเก็ตาครับเก็ดง่ายเรไม่เห็นครับซึงสี่หมานะครับถาดีลานตาไม่ดีเราเป็นคนอ่งี่ีหมาไมได้แต่ต้อรู้ไ่ใชไรนะต่ึงสีหมาไม่ใช่ัง้รครับทีเห็นดอกนี้สิเวลาชินทนมานะ่ยจจะตองาพองค์ไหนถ้าเชเอานั้นจะอย่างัอะไรแบบตามโมดีดีสัครับ เพื an a, ่อให้ในทุกตอนนีเ็ีก่าว่เื่อนตอนสงเค่ก็เดยวถ้า้่นเราเวลาตีสองรมให้เด็ตีร็าอ้าว่ใช่ไอ้นแบอนตีสองอ่าตีหขึ้นเก็้ เองคุายล่าหนาตาธรรมะเสร็เวลาย่างที่จะเข้าสู่กรรมฐานตอนแรกที่สอต้อารมณ์มีฝาหน่ะแต่ตอนแรเหมือนไม่มีฝาทางด้านทุษฎีนะนุ่งขาวผมขาวหายาเสี้ยนะไม่กระดองไม่กระดองคุณครองน่าแพ้เสี้ยวเลยเล่มาลุยลุยเห็นรับเห็นคระพุทธยจ้าทุกตระหนัตัวไม่สูงตัองยันสูง มาถึ the the งมาเดินป <'s> oh. ั๊บทำางเลยได้แข้งยกตู๋มาเกเกลียวนะออกัดลอยมันยืเลยท่าน้าด้วยกันเลยไปเป็นอดเด็กนานเลยนะแได้นาสวยอะไรแบบนั้ก็ทนอาจารย์เนจาสได้แล้วก็จะล่ออคนที่นายเว้นนไปเขือไปเลือกนายก็ถายรูปไปเลือกา ท่านหมายจะเรียกวัวท่านบอกว่าเป็นเกวบตาไม่ใส่ใจเราด h วยต้องอะไรคอต้องไรเกี่ยวี่นจะเอคุณทีท่านจะเห็นต้งใช้เพื่อกรรมส่วนนะมันคลุ้งๆเราโอนโต๊โอโต๊ะเลหน่อยนะตนนอยย้พูดกยิอยู่นะ้าองเนี่ยมนันมายัจยงลม แทนทำไมเพราาเกิดกับเจนเต่าอันนี้ด้วยกันด้ยเพราะว่าับจนเต่าเขาจะไปซื้อกันด้วยให้เราก็ไปเที่ยวไปเพมาก่อน้เราล่งด่น่อาจะ่ทนนี่าอยู่ภาคเาใ้คนไหนดงแต่กัสองามคนตายเป็นลกระสักระสับเนี้ยอะนเนี้ยมันจะลูกกระสับเนี้ยเออ จะให้มันเต็มเต็มเลยก็ต่อวามเลยกไม่ได้อม้แก็ตมมมรดให้ายตัวเนี่ยไม่ได้เกิดหายตัวแต่ความเป็นายามากนีแล้วก็มหายตัวท่านบอกว่าท่านนยต้องตายคนองเดียวแหะก็เลยบอกว่าเขาอยกเข้เวรผัวมาเกเ้ อย่าเห็นหามน่เหนียคถามอ่าเห็นน่ละยาเห็นเชือกอ่อตหมเื่อันม่เชี่กยัถามว่าเออะไรือกหนูฮ่ยยอ้่งไม่ไม่แปลจเ่านะอย่เดมาหลงเหาโอแล้วว่าท่ามาเน้ยท่านมขาขานนั้นไม่ใช่นะเ้าเศษรบงคนได้หนูเหลือหนเหลือง แต่ารกินมันมืนกินข้าวได้เองแต่ใ่ว่าการกินท้านแต่งเตอย่างไรการกิท่านแต่งเตรเป็นคนธรรมดาปกตินะถ้าว่าถ้าแต่งเตเป็นพี่กแต่งเตรี่เลยหม็นสมตอนนี้แตเตรเวลาเสร็จหมดหมดหมดทุกอย่างแต่้งวันก็เาม็นสเพราะว่าพระรามด้านขี้เลื่อยมีสาพเหมือนันบบนี้สบาให้พี่เสร็จะยะก็้ิีตัวเพราะว่าเขาเสร็จระยสบายคน็มันไม่ได้จัดผม เอาจบแค่น no? ี yeah. oh, okay. ้มีเยอะขึ hmm. uh. okay. ้นไปซึ anyway> ่งไม่มีจบยาวมากก็จบลงว่าแท้รงนะถ้าเท้าอุตันไม่ได้นียยักษสวยเหมือนหลงแต่เนี่ยเป็นพระสายเล่นกระพานะมันยากตรงนั้นแต่ถ้าเวลาเราจะขอหวยก็เราก็่างว่าผมจะรู้จุดกระพาะถ้าทำดรอแล้วก็เลยจุดทำดรอคอแต่เราไม่ให้โดนกินนะอ้โ คงใจก็ไาเดี๋ยวเดินมาโยเลยมเขอหวยท่านเของข้พเจ้อขเจ้าขอหวยท่านอันี้คนหนึ่งเขขอเขาขอฝัเเป็นใช่ไหมในตอนน้ถึงพระเจ้าปิล้วร้ก็ได้แต่ก่นมารู้เรื่องหมดทกิไม่ใช่เะระวัตในวันหนึ่งนะทุกวันวันิไม่รู้หมดแล้วต่มาถึงพระเจ้าปิดต่อให้เราไาห้ามเยขาไปขอโยโยงถามว่าเป็นในพระใช่ไหบอกว่าใช่ เขาว่าเส่ของก็ได้จอนั้นได้นั้นอก็ะดาษถนงาดเขาบอกผมก็เป็นภาพนิสันเขาวราอะไรแบบแอินี้เราไม่เอาร่าเขาบอกว่าเวลาานตอนั้นน่ะตแค่นี้เราหัวมี่เราจะตัองต้องใจสุดเลยขอบคุณเล่นหัวนี่จะได้ให้เลยต้องคนมี้แยกหนาปรามีิงๆยเะเวลาลากให้จะเกิดจถึงจะได้ถ้าลาดไม่เกิดยังไงมันก็จะลด ให้เจอให้เจอเธเพ้เร่องเขาเนีเ่องจริงเลยเา็ไปเขาเรียนมากเวลีผู้หญิงก็ลงมาให้หวยจะเป็นบุญาว่าไฟงานโกลาวนี่แหละมันยังนอกจากเสียผู้หญิงตอน่เห็นตัวอกจกเ่ แสดงว่ากำลังจับคีมบอกก็พอนะเลยนะเอาไปกองไม้เยอะเลยก็จงก็จงเป็นเช่นไรถ้าพูดก็จะถ้าพูดก็จะนะใครไม่พูดจะตอนนี้คีมจงนะที่จงอ่ะดูเรื่องใครแค่ใจการเป็นเรื่องดูเรื่องกันพอเราไปคอยคือไปมีเวลากรรมฐานท่านต้องการในส่วนอื่นเกิดที่พระบาทจะไม่ตอบให้ ก็ทำให้เรียกเยอะแรรบาทพระาได้ินเะังก็จะบอกอ้าวไปแล้วก็ว่ามาด้ทุกอย่างจริงจิเป็นข้าวิยาเอานพ่อครับคนไปเรียนเรเออกาทงเคยไปบ่อยๆายไ้ปะเนี่ยเดินไป่าดยเด๋วก็ถึงิ้งยากตอนนี้หไม่ ที่ไหก็ไปบ่อยนะแล้วเป็นอย่างนี้าครเนี่ยถ้าให้หวยผูหญิงเขาตั้งบ้านละบ้านไอ้น้ำเป็น้าม้าเนะน้แต่บ้านมีลูกห้าคนเป็นนากแล้วจนมากถ้าให้หวนก็จนไปไม่เคถ้าใช้หก็จนไม่นะ้างนให้ไปเลยจนจนจนอกเล่นไม่กันาดลูกไอ้ใจขันเพลิะลูกมาได้ตเอ๊ะให้มันไปจนจนจนไม่สล่นไปเยอะ ใารเรือไปเองไม่แต่ใครนะถ้าใครไปเองไม่ใช่ใครนะเอาไม้ใครข้อขาอีโน้ตอีโน้ตโน้ตที่พ่ให้มาเนี่ยออกมน้ามาลูกเนี่ยแต่จะเล่นเจห้าบาทนะเจอห้าบาทมันเป็นบารมีแค่นั้นเราเล่นห้าบาทจัิงๆถามว่าลงพ่อครับถามว่าเลินห้าบาทจะถูกไหมแล้วแต่สถานที่หลังอือถ้นก็าไปจกให้ยานะ คือบบแค่มกินจนมัีหวจะไปด่เขาจะเล่นัวดิขาไปแย่ฐานะหม่เยขาแย่เงินเลยอ้ซาแายม่ายจริงออแต่กต้องมานันมาเฮ้ยนี่ทห้ว่าจะคีเขาทางใครต่างธนาคารอะไรอยู่อย่างนี้กเเพราะไม่อยากไม่อยากถ้าเราม่งข้าายการเวลารองไปที่วิพานมันก็เนิพานแล้ว ไมายง่ายดีขอเป็น uh, ิาแล้วก็รู <s <s hmm ้อบัวนะใช่นเเรื <s <s <s ่องเ็้ที่ดขึ้นหรือหน้าที่ขอให้ต้งว่า สมาธิจิตสบายแต่ว่าจิตใตัไม่มนทางแต่ว่าสมาธิไม่ใช่ตัวจิตสมาธิตกทำให้ักทานตกทานมีวุ่นเสียๆเพราะให้ตกตัมาใหญ่ไม่ใช่ให้จิตพัะก็ทานนี่วิจารญาแต่ว่าอาวก็ในวต้นทึ่แรันลำยากเกินไปให้ใช้ให้ใจยาวๆแบบที่เอาอ่านนะถเท่ากันให้ใจาบนๆยาวนะ อันนีุกนเรือไม่าดอาคารไม่อย่ายขับละอยดขึ้นไปก่อนไม่ละเอียกออต้องัวเา้องต้องลอยดได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไดได้ได้ได้ได้ไได้ได้ไได้ได้ไ้ได้ไดได้ได้้้ไได้ไไไไ้ไ พาข้าวเ้าก็ให้เขาลดอย่างสงังเตาโมกสมแบบเช่นเมย์เมสุดท้ายรู้หน้าผมก็ยังถัจานเขาว่าแต่เป็นของตื่นรู้ใมาคือใะาเนสตาอัลเมตตาอาสาหมาเาแต่ที่แปลกใจก็คือว่าผ้าเหล่านีชื่อว่าอะไรหนออะร ว่าว่าตายแล้วรักเป็กลารเป็นโวดาหนาว่าเป็ น, นกนองยาวร้องลำพัมเดินกันรูปแฝ่ตายมากว่าพระเอกอรัตนกอพระราช ทีอนตไปว้ฮะโอ้ไเลาเลย้ตกไปเล ย, ะะเยไกเลยจ ะ, ะเวลานะอเวลาท่าเดิอตอนนี้ก็ต้องยอการเ้มาได้เลยนะะะี่เอย